วันนี้ที่นั่งไม่ค่อยีนะมีทีมโรงเรียนรู่มารุนักเรียนขอเข้ามาฟังให้โอ ก, กาสแกเด็กๆบ้างที่จริงหลงพ่อสอนเด็กไม่เป็นซึ่พี่ชมพู เด็กเก่งที่จริงหลูงพ่อเขาภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างที่สอนเด็กเริ่มต้นท่านก็สอนให้ทำานาปนาสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมพุโทโธด้วย หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมวัฏโทนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกพุทโทนับสองมีกรรมฐานที่เดียว3ตัวเลยคือรู้ลมหายใจบริกรรมพุทโทแล้วก็นับด้วยเหมือนเป็นเชือกสามเส้นมัดใจที่มันสน ไม่ให้มันสนพอหายใจเข้าพุดออกโทแล้วก็นับเลขไปด้วยเนะี่ยถึงช่วงหนึ่งการนับมันก็หายไปไม่ต้องนับใจมันเริ่มสงบแล้วก็ลดผ่อนเชือกลงเหลือแต่หายใจเข้าพุทหาย ใ, ใจออกโทเหลือเชือกสองเส้นคืออนาปนาสติกับมริกรรมทำมาเรื่อยๆ ใช้เวลาไม่มากเด็กๆทําง่ายไม่ได้คิดเยอะทําไปเรืๆแล้วก็พุโทโธก็หายไปเหลือแต่การหายใจใหายใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายไปเชือกเส้นสุดท้ายหายไปเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทน การหายใจเป็นดวงสว่างอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่ภาวนาไม่เป็นเปนจ้องใส่ที่แสงสว่างใจออกข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเห็นดูอะไรที่คนเขามองไม่เห็นแล้วก็เที่ยวไปมองเห็นเทวดาเห็นอะไรไป นะรู้สึกว่าตมารู้สึกนะวมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วที่สำคัญถ้าออกไปเจอผีนะย ท, ทำยังไงพ่อเป็นคนกลัวผีเมื่อได้ดีมาพ่ออาจารย์ผีนี่แหละกลัวผีก็เลยเวลาหายใจนะพอมันสว่างขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างไม่อยอมให้มันเคลื่อนนะกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาส่งความรู้สึกตัวไว้ อันนี้จิตจะได้รวมลงไปค่อยๆรวมเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะภาวนาอย่างไรก็สงอยู่แค่นั้นสงบอยู่นั้นภาวนาต่อไม่ถูกกันต้ามาได้ยินได้อ่านนะคำสอนครูบาอา จ, จารย์ท่านบอกพุโทโธเสร็จแล้วให้มาพิจารณาร่างกาย หลพ่อก็เอาใจที่เป็นคนดูนะั่ตั้งมันม่นส่งสมาธิอยู่แทนที่จะตามแสมส บ, กบักไปข้างนอกนะยอดกลับเข้ามาในร่กกางกายมดูตั้งแต่หัวถึงเท้านะดูที่ผมก่อนกำลังของสมาธิมันแรงนะดูลงไปที่ผมนะผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็าหายไปนะเห็นหัวกระโหลก มีพวกเราหลายคนนะภาวนาแล้วเห็นหัวกระโหลกตัวเองแล้วตกใจเลิกภาวนาเนะ น, นี่ยเสียโอกาสมากเลยนี่พอดูหัวกระโลนะหกะโลกขึไปนะหัวกะโหลกขาดไปหัวขาดเหลือแต่ตัวดูลงไปเนื้อหนังหายไปเหลือกระดูกดูกระดูกลงมาอีกระดูกร ะ, กร ะ, กร ะ, ระเบิดกลายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นก้อนกรวดกระจายรับพื้น ดูลงไปอีกนะก้อนกระตุกเล็กๆนะสลายตัวให้เป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นวงแสงแล้วสลายไปหมดนะเหลือทีจิตดวงเดียวนี่พอเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนะี่ยพอกลับมามีร่างกายนะจิตมันรู้อย่างองแท้เลยว่ากายกับจิตนั้นคนละร่ากันนี่คือการแยกขันแยกได้แล้ว สนใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บำบัดเพราะว่ามันไม่ไหลตามความคิดไปไม่ตามแสงไปแล้การตรื่นคือการนึกถึงแสงแล้การตรองคือการที่ใจไปเคล้าเคลีอยอยู่กับแสงได้ใจก็มาเป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้รู้รรแล้วก็รู้ความจริงกายกับจิตนี้มันแยกออกจากกันได้คร้นกัน ได้แ ย, ก ข, ยกขันได้แยกกันได้เราไปต่อไม่เป็นอีงแล้วพาวนาอย่างนั้นได้แต่สงบได้แต่สบายมีความสุขไปวันวนันหาทางไปต่อไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ตายแล้วท่านพ่อหลีอายุยังไม่หกสิบเลยนุ้มสิ้นไปแล้วคือตอนที่ท่านภาวนาน ท, ท่านภาวนานแบบ ทุกขาปฏิปทาโหดสุดๆเลยประเภทอดกินโดนอนเลยเนะี่ยภาวนาเป็นแล้วก็ร่างกายสุสเสร็มที่แล้วเป็นโรคกระพาะเป็ น, นอะไรอนะไรแจ้งกสิ้นเร็วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานหรือทางเหนือในภาคกลางท่านพ่อรี่ลงมาบุเปิกท่านสิ้นไปหลวงปู่ศิมลงมาอยู่ วัดอโศกราอยู่ไม่นานท่านก็นหนีกลับไปอยู่เชียงใหม่คงเบื่อหน้าญาติโยมวุ่นวายทำบุญแต่ว่าไม่ค่อยภาวนาอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ไม่โปรดหรอกไม่ชอบครอกเราแต่ทำบุญไม่ค่อยภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์เสียเวลาอยู่นานช่วงนี้จนมาเจอหลวงปู ด, ดุล ท่านสอนให้ดูจิตเวเถึงไปต่อได้หลวงพุดูลไม่สอนสมถะให้หลวงพ่อท่านรู้หลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเข้าไปหาท่านไปกราบท่านขอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดนะเงียบๆหลับตาเงียบไปกือบชั่วโมงท่านสอบประวัติเราเคยภาวนายังไงอะไรย่างไง ไ, ไม่ต้องถาม ท่านื่นตาให้มาท่านก็สอนเลยว่าการปฏิบัติเน่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่ได้ยินท่านบอกให้อ่านจิตแล้วก็มาดูกลายเป็นไปเฝ้ารักษาจิตเอาไว้มันทําได้สบายเลยเพราะทําสมาธิมเยอะเฝ้านิ่งนะอยู่นานก็อยู่ได้ สเดือนฝึกเล่นอยู่งั้นสงบอยู่สามเดือน<ม>ขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่เขาผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตท่าบอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปแทรกแซงให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะบอกไปดูใหม่ทําผิดแล้วกลากลาท่านองมามาดู มันนึกถึงคําว่าดูคําว่าเห็นคําว่าดูอนะไรเงี้ยเวลาเราจะดูหนังดูละครเรือดอูหนังมันเล่นยังไงเราก็ดูไปดูละครมันเล่นยังไงเราก็ดูไปเราเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่คนเขียนบทไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่นักวิจารณ์เราเป็นแค่คนดูเฉยๆคนดูธรรมดา แต่แทนที่จะเป็นดูหนังดูละครต่อเปนนี้มาดูจิตตนเองมันเล่นละครให้ดูเดี๋ยวมันก็มีบทรักนะชอบอันนี้เดี๋ยวมันก็มีบทกโกรธเกลียดอันนี้เนี่ยใจแสดงละครให้ดูมีบทรักบทกโกรธบทอิจฉาบทดีใจบทเสียใจบทสุขบททุกข์สมหวงังผิดหวงัง มันเหมือนละครโรงหนึ่งนะในใจเราเนียมันแสดงละครให้ดูทั้งวันทั้งคืนเราเป็นแค่คนดูละครดูจิตเหมือนดูละครอ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่าดูจิตแบบดูคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ต jenis มันไม่ได้ดูมันก็ดตลงไปเต้นยกไม้ยกมือแกวนแขนแขวนขารลวุ่นว า, าย ก็เห็นโอ้โอ้นาเคยเห็นในโทรทัศน์เวลาอยู่โรงบานอยู่้เคยเห็นเขาเล่นคอนเสิรต์ตนักร้องก็โผล่มาเนี่ยก็กรีดกรีดกรีดจิงรีมาเกิดเสียงจิงรีกรีดน่ยัง้อกว่านะืกี้กรีดมันเสียงเปรดเนี่ยไม่รู้เลยว่าเปรมันร้องแบบนี้ร้องแบบเปรกรีดกเราอวจะแตก คลื่นไส้เลยเห็นแล้วทนดูไม่ได้เพร้นจะดูจิตเหมือนดูคอนเสิร์ตไม่ได้นะเห็นมีอะไรโผล่หนีนะสติแตกนะดูเหมือนดูหนังดูละครนะดูไปเรื่อยๆใครเคยดูโขนไหมโขนสมัยโบราณนะเล่นช้ามากเลยยาง พวกยักษ์จะย ก, ยกทัพมารบ ก, กับพระรามนะมันจัดขบวนทัพอยู่ครึ่งชั่วโมงนะเต้นอยู่นั้นนะ่ะแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะรบกันมาไม่เคยดูถึงมันรบกันเลยนะแค่จัดทัพก็หมดแรงแล้วหลับไปแล้วตอนเด็กๆันนะคนแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนีวนี้ก็ยกย่อให้สั้นลงเอาใจตลาดเมื่อก่อนถ้าดูคนนะเบื่ อ, อรู้ว่าเบื่อ มีอคลาวนะตอนเล็กๆ เ, เลยมีงานที่สนามหลวงก็มีโขนพ่อเขาอุ้มไปว่าตัวลิศเดียวไปยืนอยู่ข้างเวทีเลยเห็นลิงนะนะลิงแต่งเครื่องทรงกันด้วยนะสวยงามมันมานั่งยุกยิยุ้ยต่นนั้นเด็กๆไม่รู้ตัวอะไระเรานิ้วไปจี้เอง มันสะดุ้งกันกลับามาเนะเราล้องจากเลยหน้าตาหน้ากลัวเนีย่ยดูโขนนะเบือ่อรั้วเบื่อนะถ้าภาวนาเป็นนะสบายเลยแต่ว่าไม่แนะนำนะหาละครหาอะไรดูดูเหมือนดูละครสะดวกกว่าวาอารมณ์มันจะแปก เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวปวดเราะเดี๋ยวร้องให้ดูเหมือนกระเพื่อมไปกระเพื่อมาดูจิตเราเหมือนดูละครไม่ต้องไปดูละครจริงนะดูจิตตัวเองนะมันเล่นละครให้ดูทั้งวันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวรอบเดียดเด๋ยวกปวดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายมีบทสารพัดให้ดูมีกระทั่งบทขี้ฉาผู้ชายก็ขี้ฉา ผู้ชายกดไหนไม่เคยฉาเลยกมือไหนซิ่มีไหมไม่มีนะยุคนี้ผู้ชายจะอ่อนโยนนะผู้ชายจะอ่อนโยนส่วนผู้หญิงแข็งยนี้ผู้หญิงเนี่ยห้าวหาญพูดจาถ่อยยุคนี้ผู้หญิงถอยนะผู้ชายสุภาพนุ่มนวนลแบบข้างกันหมดนะ ทำไมผู้หญิงต้องถอยเพราะว่าคิดผู้คิดว่าผู้ชายต้องถอยก็ยอยากจะเป็นผู้ชายก็เลยต้องถอยเนี่ยเราฟฝ้ารู้ทันใจของเราไปนะใจเราทีก็ลายบางทีก็ดีทีก็สุขทีก็ทุกเดี๋ยวก็อยากอยากให้โน่นอยากให้นี่สารพัตจะอยากเลยอยากขึ้นมาแล้วบางทีก็มีความสุขทีก็มีความทุก์ อยากแล้วไม่สมอยากก็ะทุง้งอยากแล้วได้อยา่างอยากแล้วคดีคด้าดีใจเดี๋ยวก็อยากใหม่อยากเรื่องอื่นต่อไปอีกบางคนอยากรวยใจวันนั้นคิดจะอยากรวยเห็นบางคนเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอยากมีของเขาบ้างลืมไปดูนะว่าจริงๆเขาก็ทุ้งนะบางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่มีบ้านจะอยู่อยู่โรงแรบมบอยู่เมืองไทยไม่ได้น <laughs> ะ ถ้าเราเฝ้าแทนที่เราจะไปดูของข้างนอกนะย้อนกลับเข้ามาดูใจตัวเองเหมือนดูละครนะเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรา เ, เป็นของโชคราวความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาใ น, ในใจเรา เ, เป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เดี๋ยเฝ้าดู้เ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิด มันจะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีหรือชั่วก็ชั่วคราวพอมันเห็นความจริง น, นี้นะใจมันจะเป็นกลางมันจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่อมลงคนที่ภาวนาไม่เป็นเวละมีความสุขนะใจก็ฟูฟ่องไปเฉยพอความสุขหายไปก็แฝงลงไปเดี๋ยวว่ากระเพิ่มขึ้นกระเพิ่อมลงไม่มีความสงบสุขนะ ถ้าเราอ่านใจตัวเองให้ชำนาญเดี๋ยวก็สุขสุข ก, ก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์ก็ชั่วคราวต่ไปเวลามีความสุขใจก็ไม่หลงละเริงรู้ว่ามันของชั่วคราวรืมอะไรกับมันนักหนาเวลามีความทุกข์ใจก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันของชั่วคราวความผิดหวังความสมหวังอะไรนี้นำความสุขความทุกข์มาให้ก็ไม่ของชั่วคราวทั้งหมด ใจเห็นความจริงตรงนี้ใจก็เข้าสู่ความมิกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากเลยใจเราเลิกกลุ่มแต่งตรงนี้ตรงกับคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นพวกเรานักปฏิบัตินะั่นชอบพูดมูนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อเห็นหน้าไม่ใช่อ่ะหน้าตายอย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นวุ่นวายจะตายไปเดี๋ยวก็กรเพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาใช่ไม่ได้ งั้นเรไปหัดดูหัดอ่านใจตัวเองมากๆนะกรรมฐานไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกคอยอ่านใจตัวเองไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่านไปเรื่อยๆบางคนนานเจ็ดวันนะก็เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกเนี่ยอยู่ชัว่วคราวมีนะไม่ใช่ไม่มีในยุคเหล่านี้เลย มีลูกศิษย์หลวงปูดูลท่านหนึ่งแต่ว่าจะวัดเ็วันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าก่อนจะบวชเนี้ยก็ภาวนาอยู่หลายปีแหละภาวนาอยู่แถววัดป่ารงคูวัดสาขาอันหนึ่งของหลวงปูดูลเป็นลูกศิษย์ลงพระกิมลงพระกิมเก่งนะแต่เสียดายอายุ60สินิดๆนึงิ เพราะว่าตออาดภาวนาเนี่ยโหดมากประเภททรมานมากอดอดยากลำบากลาบนมากไม่สบายนิดหน่อยตาย <c oughs> คนนี้ก็ภาวน า, นานแล้ววันหนึ่งเขาเดินออกจากวัดมามองลงไปที่พื้นก็เห็นเลยไอ้คนที่รู้จักอะแต่มันตายไปแล้วพวกนี้เป็นพวกสาวใหม่ ไปเห็นเขาทาเส้นหไหมไหมก็ เ, เอาตัวไหมนะใส่ในปีป๊บต้มต้มทั้งเป็นนะีลยต้มแล้วก็หมุนสาวเส้นไหมขึ้นมาส่วนตัวไหมไม่จะอยู่ในปลอกใสๆก็บิดปลอกนะั้นใส่ปากกินได้นะเลยหัวภาพ เ, เคยไปยืนดูเขาส่งมาให้เราก็ดูคืนก็กินเลยกินเลย ถากินยังไงเขาก็เอาอันหนึ่งอันดึงฉีกเกลือกมาหรอในปะกเคียเค้ยวเียวมีน้ำเขียวเขียวไหลออกมาเอออาเขอดูเฉยๆก็แล้วกันนะไม่กินอ่ะเนีย่ยหนุ่มคนนี้นะมองเห็นคนที่เคยสกาใหม่นี่มันถุงต้มเดียบมันเกิดได้ได้ตาขึ้นมาจากการนั่งสมาธิมองทะลุลงไปเห็นนรกนะ ใจก็สยดสยองเลยบอโอ้เป็นคราวานะทํามาหากินเนะี่ยมันก็เสี่ยงนะนทําบาปวันนี้ก็ไม่มีอะไรกลับกลับบ้านไปอีกวันหนึ่งมาวัดใหม่มาภาวนาไปอีกช่วงนึ่งนะหลายวั น, นเดินออกมาจากวัดรายนี้จะได้ดีตดออกกววัดนะเดินออกมาจากวัดนะเดินออกมาจากวัดนี้มองลงไปที่แผ่นดิน ว่าแผ่นดินที่พวกเราอยู่อันนี้บางนิดเดียวเลยข้างล่างนะเหลวๆ เ, เป็นไฟเ น, นเด็กไม่มีความรู้อะไรในทางวิทยาศาสตร์มองลงไปเห็นนะเลยรู้สึกว่าเราอยู่บนเปลือกโลกบางๆบางเหมือนยิ่งกวเปลือกไข่ไก่อีกเปลือกไข่แตกง่ายไหมแตกง่ายเปลือกนี้ก็แตกง่าย ถึงได้การบินใบนะเ่ือกโลกมันเคลื่อนไปเคลื่อนมากระทบกันพอมองเราไปเนี้นะรู้สึกเลยนะชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตนี้มีแต่ความไม่แน่นอนยืนอยู่บนความไม่แน่นอนพอเห็นอย่างนี้ใจเกิดสลดสังเวชนะประกอบกับที่เห็นแล้วว่าอยู่เป็นกลาวาก็เสี่ยงกับการตกนรกมาก ก็เลยออกบดตันบทเนี่ยมาหลวงู ด, ดูลัตเป็นอุปชาเด็บมาอยู่กับหลวงปู่ดูลแตจะมาอยู่วัดสาขานะวัดหลวงพ่อคืนอยู่ใกล้เมืองไหมวัดหลวงพ่อกิมอยู่ไกลอยู่กลาังเพอวัดหลวงพ่อพูนเป็นวัด น, น่าเรีอนจับคนนี้มาอยู่ภาวนาอยู่เจ็ดวันมนาะคืนวันที่เจนะ็ดน่ะ เป็นวันที่หภาวนาไปเห็นโลกนี้ว่างเปล่าเห็นโลกว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมาาเมื่อชนาขึ้นมาก็ไปบอกพระพุทธองค์หนึ่งชื่อหลวงตาสอบบอกหลวงตาผมภาวนาแล้วทำไมมันดับไปหมดแล้วมันว่างไปหมดเลยสว่างสวยัยเบิกบานออกมาเลย ตรงนี้หลวงปูดินท์เรียกวจิตยิแบแรวกทาไมมันแวกง่ายเนี่ยพราภาวนามาเยอะและ้วจนจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนะ่ยที่ว่า น, นี้โรงนี้รอดเลยจิตมันเป็นกลางนะมันไม่ไม่ปรุงแต่งต่อไม่ดิ้นรนแต่ว่ายึดถือความว่างๆอันนี้ไว้ยึดถือความไม่ปรุงแต่ง ในของปวดตบะเฮ้ยนี่ร่องนี้รอดอะไรกันความยึดถือมันก็ตับไปเหมือนหลวงพ่อก็ไป เ, เป็น่ะแต่นั้นหลวงพ่อนั่งสมาธินึกได้ว่าหลปู่เทศท์ท่านบอกให้ผู้ดใดเข้าถึงความเป็นกลางาคนจะถูกทกั้งปวกก็ทําจิตให้เข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างดีกับชั่วอะไรนี่ลองมาหมดแนละ้ว เลยมาลองเป็นกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้บ้างกาหนดจิตลงมาพอจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปจับตัวผู้รู้ไม่จับเคลื่อนออกไปจับสิ่งที่ถูกรู้พอมันจะถึงสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่จับนะเคลื่อนกลับมาหาผู้รู้เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่จับอะไรเลยสุดท้ายว่างลงไปตรงกลางแล้วเล่นอย่างนี้มนาะ ทีแรกไปที่ไปอย่างเนี้ยเราจะได้รู้ว่าผลนิพพานถึงจุดหนึ่งก็เพราะว่านี่มันสมาธิมันสมถะเราไปกราบเรียนหลวงปู่เทสบอกผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบักใช่เป็นสมาถะแต่เล่นไหมเถอะยุคนี้ไม่มีใครเล่นแล้วผมกลัวติดครับไม่เป็นไรถ้าติดอาตมาจะแก้ให้ท่าว่าอย่างนี้นะคล้ายๆท่านท่านหนุนให้เล่นเขาเล่นเรืยสนุกไง ดับความคิดนึกปรุงแต่งหมดเลยลแต่รู้ว่าเดียวเจอหลวงปู่บุญจังโดนท่านตวาดเฮ้ยนี่รบอาจารย์ชอบเอ้ยนะท่านชาวบ้านเฮ้ยนิพพานอะไรนีเก้ามีออกใจก็เลยทิ้งอันนี้ไปไม่เอามันไม่ใช่ทางแนละ้วเสียเวลาไม่เล่นแล้วส่วนหนุ่มนี่ก็ติด คามบ้า ง, างหลวงปู่โดนว่าเฮ้ยนี่โรคนี่รอดอะไรกันประวัติคนเนี้ภ า, า, า, านาเจ็วันนะตั้งแต่มาบวชเจ็วัน 7, บางคนก็เจ็เดือนบางคนเจ็ปีบางคนอีกร้อยปีก็ไม่ได้อีกพันปีก็ไม่ได้ยังจะต้องไปเวียนโงนระกอีกก็มีไม่ใช่ว่าดีทุกคนนะบางคนจะต้องไปตกนรกไปอะยนี้มีไม่ใช่ทุกคนดี แต่คนไหนที่เดินตามรอยที่ครูบาอาจารย์สอนดูจิตตัวเไปเรื่อยอ่านจิตตัวเองไปเรืเ่อยก็จะดีมีพวกที่พลาดก็มีกรายหนึ่งเป็นเนนแต่ว่าจิตเนี่ยไวมากเลยในวัดมีพระประมาณห้าสิบตื่นเช้ามาเนนบอกได้หมดเลยว่าเมื่อคืนเนี้ยพระองค์ไหนทําอะไรบ้าง เนรู้หมดเลยรู้ตั้งบักเลยคนก็คือหากันอย่าโว้ยเนนี่เก่งหลวงปู่ได้ยินนะหลวงปูดวนห้ามเล่นเล่นไม่ได้อย่าไปดูจิตคนอื่นไปดูจิตตัวเองก็ไม่เชื่อหลวงปู่นะหลวงปู่เผลอเมื่อไหร่ะรนะก็แอบไปดูคนอื่นให้ได้พอสิ้นหลวงปู่ไปไม่มีใครควบคุมได้แกไปอยู่วัดสาขาเห็ฮลิง่ง ก็เห็นลิงนะี่ยความรู้สึกของหลิงเนี่ยเข้ามาในใจเตืวองครอบงําถูกอารมณ์ของลิงครับงำลืมว่าตัวเองเป็นเลนนะนึกว่าตัวเอเป็นหลิงขึ้นต้นไม้เนละขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะปุ๊บปุ๊ขึ้นยอดไม้พอถึงยอดไม้มองลงมาเจอควายควายอยู่ในท้องนาความรู้สึกของควายก็เข้ามาในใจตอนนี้คือควายอยู่บนต้นไม้ดูมันก็หล่นเท่านั้นเอง สุดท้ายก็แก้ไม่ตกน้าบ้าพี่ชายเป็นพลายพาไปหาหมอจักสึกไปไปหาหมอรักษาโรคจิตอพอรักษาหายนะมาบวดอีกแล้วมาบวดอีกพอนั่งสมาธิจิตก็ออกนอกอีกไม่เคยชิดก็ออกไปอย่างนี้นะหลายรอบเลยปวดแล้วสึกบวดแล้วสึกหลายรอบคราวสุดท้ายสึกออกไปเลยผูกคอตายไปแล้วมีนะไม่ใช่ไม่มี เนี่ยครับหลวงปู่ท่านห้ามบอกให้ดูจิตตนเองอย่าไปดูจิตคนอื่นไม่เชื่อชอบดูจิตคนอื่นเสียไปเลยก็มีงนพวกเราเวลาหดูจิตนะอย่าสนใจจิตคนอื่นให้ดูจิตคนอื่นง่ายจะตายไหพไปยากอะไรหมาวยังรู้เลยอย่างหมา ม, มันรู้นะว่าคนไหนใจดีคนไหนใจร้ายมันจะเข้ามาหาของจิตมันเจอไอ้คนนี้นะเมียนเมีย ง, ม, ยงมองมอ ง, มองไม่เอาดีกว่า เชื่อบางคนนะมันก็เข้ามาหาอย่างหลงพ่อนะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังไหอนกันมาชอบมาหานะสีสี ส, สนะีบางตัวก็เป็นคิดเลือดด้วยนะงูยังชอบเราเนี่ยงูสวยนะงูเห่าสวยเพืาอในการที่จะรู้จิตใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องอาสจรนะการรู้จิตใจตัวเอง ถึงเรื่องอัศจรรย์แล้วเราจะพบความอัศจรรย์นะเมื่อใจเราลังกิเได้เราจะพ้นทุกข์ได้ในการรู้ทันใจตัวเองอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันโลภมันโกรดมันหลงก็รู้มันดีใจมันเสียใจนะมันอิจฉาริษยามันอาฆาตมันเซงมันเบื่อมันงงเนีความรู้สึกนานาชนิดนะรู้ไปเรื่อย มันงงก็รู้นะมันงงมันมันสงสัยมันอยากรู้ไปเนี่ยอ่านใจตัวเองเหมือนเราดูละคร น, นะมันถึงบทอยากแล้วก็รู้ถึงบทโกรธแล้วก็รู้ถึงบทรักแล้วก็รู้อ่านไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชโชคราวสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมด เพราะัตัดไปเวลาสุขก็ไม่หลงดีใจเวลาทุกข์ก็ไม่หลงเสียใจสมหวังผิดหวังก็ไม่หลงดีใจไม่หลงเสียใจแจ้งเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างใจเข้าถึงว่าเป็นกลางใจก็ไม่ดินน้นรนสงบสุขสบายเดี๋ยวค่อยๆฝึกนี่คือการดูจิตนะอย่าไปคิดว่าการดูจิตคือการนั่งจ้องจิตเพ่งให้จิตนิ่ง อันนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อไปทำแล้วหลวงปู่บ อ, อกว่าทำผิดเสียเวลาไปสามเดือนไปทำจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเป็นเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วมีสติตางรู้ไปจิตที่เป็นธรรมชาติก็คือเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดียเด๋ยวก็ริมรสเดี๋ยวรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวคิดนึกทางใจให้มันทำงานอย่าไปห้ามมันเมื่อมันไปดูแล้วไปเห็นรูป สวยใจเป็นชอบรู้ว่าชอบไปเห็นศัตรูใจเป็นโกรธขึ้นมารู้ว่โกรธให้มันกระทบอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลินก้นแก่ใจแต่กระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นที่ใจมีสติ ต, ตามระลึกไปนะแค่นี้แหละหลักของมันเนไม่ใช่เลี้ยงดีเลี่ยง ก, การกระทบอารมณนะ์นะนัาปฏิบัติจะหนีการกระทบอารมณ์ไม่ได้หนีโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีโลกนะ ท่านสอนให้เราเรียนรู้โลกท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรงดงามวิจิตรงดงามมันไม่ใช่ว่าแปลว่าสวยอย่างเดียวนะหมายถึงมันปรุงแต่งได้สารพัดหนยให้เธอดูโลกมันวิจิตรวิจิตรพิสดารซึ่งคนโง่คนเข่าเนี่ยพามันติดอยู่แต่ผู้รู้จะไม่ติดผู้รู้มันจะเห็นความจริงทุกอย่างในโลกเนี่ย ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเป็นของชั่วคราวเกิดระดับใจเข้าสูขข่ความนป็นกลางไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปติดงินจะไม่ได้ติดสุขนะไม่ได้ติดทุกข์ด้วยการเกลียดมันไม่ใช่รักมันเกลียดมันอะไรเงี้ยใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างนึงใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อยู่กับโลกเรียนรู้ความจริงของโลกไปโลกไม่มีอะไร โลกก็คือรูปเสีย ร, รติโลภโธทภาธรรมารมณ์นั่นเองคือรู ป, ปรธรรมคือนามนธรรมคือตาหูจมูกลินกล้นกายใจคือสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนะั้นคือรู ป, ปรธรรมนามธรรมทั้งหลายความจริงของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่เห็นความจริงของโลกนะเสร็จแล้วจิตจะอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตตะละโล ก, กุตตละว่าอยู่เหนือโลก ไม่ได้แปลว่าไม่รู้โลกนะผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นโลกกับิทูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ ง, จ, งจิตก็เลยเข้าสู่โลกุตละอยู่เหนือโลกเพราะว่ารู้จักความจริงของโลกแล้วความจริงของโลกก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะมีแต่ของถูกบีบคั้นแล้วพอรู้ความจริงมความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็ถูกบีบคั้นให้หายไปความสุข จะเกิดหรือไม่เกิดเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เพราะลักสัก์ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจนี่คือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะเรียนรู้โลกธรรมะอยู่ที่โลกนะไ ม, ไม่ได้หนีโลกไปไหนอยู่กับโลกนี่แหละแล้วก็เรียนรู้ไปมีตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบโลกไปนะแล้วใจกระเทือนปรุงดีปรุงชัว่วปรุงสุขปรุงทุกมีสติตามมา่านใจตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไป ถึงจดหนึ่งใจมันขึ้นไปอยู่เหนือโลกเรียกนั่าโล ก, กุตละโล ก, กุตละไม่ใช่ว่าไม่รู้โลกนะแต่ว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งจนะเป็นโลกกับวิถูงนะงั้นพวกเราอ่านใจตัวเองเหมือนะนดูละครดูใจเราเล่นละครไปเรื่อยๆเดียววันหนึ่งเราจะอยู่เหนือโลกได้มีแต่ความสุขนะความทุกข์เข้ามาไม่ถึงหรอกไปกินข้าวไป นี่หมดเลย